รายการเสียงธรรมต่อไปนี้ขอเสนอเรื่องสู่แสงสว่างจากการเรียบเรียงโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณและจัดพิมพ์โดยสำนักค้นคว้าทางวิญญาณต่อไปนี้เป็นคำนำในการพิมพ์ครั้งที่หนึ่งสู่แสงสว่างเป็นเรื่องที่ให้แนวความคิดใหม่ในอันที่จะทำให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของคนเราง่ายขึ้น โดยให้ศึกษาทมจากความฝันซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ทุกคนได้ประสบอยู่เสมอแต่ไม่ค่อยมีใครหยิบขึ้นมาพิจารณาเพราะไปคิดเสียว่าเป็นเรื่องไร้าสาระและอีกอย่างการที่นักศึกษาโดยทั่วไปไม่ค่อยสนใจเรื่องความฝันก็เพราะไม่เข้าใจมาก่อนว่าชีวิตของคนเราเกิดมาจากวิญญาณของตัวเอง ซึ่งหลักอันนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในคืนวันวิสาขะและพระองค์ก็ได้ทรงสอนเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยนั้นการศึกษาธรรมถ้าหากไม่เริ่มต้นจากจุดนี้ก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมได้อย่างลึกซึ้งการศึกษาให้เข้าใจว่าตัวเราเกิดมาจากวิญญาณของเราเองนี้เป็นรากฐานสำคัญ ที่จะให้เข้าใจเรื่องกฎของกรรมเรื่องตายแล้วเกิดเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกและสวรรค์ตลอดถึงเรื่องอริยสัจซึ่งเป็นความรู้ที่จำเป็นสาหรับทุกคนและโดยการรู้แจ้งเรื่องเหล่านี้เท่านั้นจึงจะทำให้เรารู้จักวิธีที่จะทำใจให้สบายอยู่เสมอไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นและโดยเฉพาะก็คือ จะทำให้ไม่กลัวต่อความตายและถ้าหากรู้แจ้งจริงๆทุกคนก็เย็ยนดีที่จะเผชิญหน้ากับความตายเพราะความตายเท่านั้นเป็นวิธีสุดท้ายที่จะช่วยแก้ปัญหาให้แก่คนเราได้อย่างดีที่สุดความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเว้นไว้แต่ว่าจะเป็นการตายในความชั่วและก่อนที่จะตายเรายังไม่ได้กลับใจเป็นคนดี ยังไม่ได้ตั้งใจอย่างแท้จริงที่ประพฤติความดีตายลงไปทั้งท่าที่จิตใจยังอยู่ในความชั่วความตายอย่างนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าการลงโทษใดๆตรงกันข้ามถ้าเป็นความตายในความดีหรือตายเพื่อความดีตายในขณะที่กำลังประพฤติความดีเช่น ตายในขณะที่กําลังทำหน้าที่เพื่อป้องกันประเทศชาติหรือเพื่อป้องกันความยากลำบากอันจะเกิดขึ้นแก่คนส่วนใหญ่หรือเป็นการตายในขณะที่เรากําลังทำการค้นคว้าหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อความสุขและความเจริญของมนุษยชาติโดยที่สุดแม้ผู้ที่พยายามตั้งใจที่จะเลี้ยงครอบครัวให้มีความสุข แต่แล้วก็ต้องมาตายในขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่คนที่มีใจเป็นกุศลอยู่เสมอไม่ว่าจะตายในเวลาไหนตายในลักษณะอย่างไรก็เป็นการตายที่ประเสริฐการตายแบบนี้ไม่ใช่เป็นการสูญเสียแต่เป็นการเลื่อนฐานะของชีวิตให้สูงกว่าเดิมและความตายเท่านั้น ที่จะช่วยเลื่อนฐานะของคนเราให้ได้ดีจริงจริงถ้าหากเป็นการตายในความดีดังที่กล่าวมาผู้ที่รู้สึกว่าตนเองได้ทำหน้าที่ของพ่อของแม่หรือทำหน้าที่ในฐานะใดก็ตามซึ่งตนเองรู้สึกว่าได้ปฏิบัติมาอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้รู้สึกภูมิใจในตนเองนับถือตัวเอง บุคคลประเภทนี้ย่อมมีความสุขทั้งในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และตายไปแล้วแต่ถ้าหากคนไหนได้รับความทุกข์ยากลำบากเพราะการปฏิบัติในหน้าที่แต่จิตใจสบายและยึดมั่นอยู่ในความดีตลอดมาบุคคลประเภทนี้ก็ยังดีกว่าบุคคลที่มีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายมีชื่อเสียง แต่ในด้านจิตใจแม้แต่ตัวเองก็นับถือตัวเองไม่ค่อยได้เพราะรู้อยู่ว่าตนเองมีความชั่วอยู่หลายอย่างความตายเป็นผู้พิพากษาที่ยุติธรรมที่สุดบางคนก่อนหน้านั้นอาจจะหลอกคนอื่นให้เห็นว่าตัวเองเป็นคนดีซึ่งความเป็นจริงตนเองเป็นคนไม่ดีแต่ไม่มีใครรู้ หรือว่ารู้แต่ทําอะไรเข้าไม่ได้คนประเภทนี้จะต้องได้รับการตัดสินจากความตายอย่างยุติธรรมที่สุดเป็นการตัดสินด้วยตัวของตัวเองจากกฎของกรรมซึ่งเป็นกฎที่เที่ยงแท้และเป็นจริงอยู่ตลอดเวลาส่วนคนที่ทําความดีแต่ไม่มีใครรู้ใครเห็นไม่มีใครให้รางวัลไม่ได้รับผลตอบแทนจากความดีอย่างเหมาะสม ความตายก็จะเป็นผู้ให้ความยุติธรรมแก่เราเพราะทุกคนก่อนที่จะตายจะมีลักษณะเหมือนกันหมดทุกคนอยู่อย่างหนึ่งไม่มีข้อยกเว้นเลยกล่าวคือในขณะที่กำลังจะตายถ้าคนไหนได้ทำความชื่อไว้มากและยังไม่ได้กลับใจเขาจะต้องได้รับความทุกข์ทรมานในขณะนั้นอย่างแน่นอนส่วนคนที่ได้ทำความดีเอาไว้ จิตใจก็แจมสายเบิกบานก่อนที่จะสิ้นใจจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญมากของชีวิตเพราะว่าใครจะมีความสุขหรือมีความทุกข์อย่างไรในชาตินั้นจาขึ้นอยู่กับภาวะของจิตใจในขณะนี้ข้าพเจ้าต้องการที่จะให้คนทั้งหลายได้เข้าใจถึงเรื่องเหล่านี้อย่างแจ่มแจ้งด้วยตัวของเราเองและการศึกษาเรื่องนี้ ที่จะทำให้เข้าใจง่ายก็คือศึกษาจากความฝันของตัวเองแต่เป็นการศึกษาในแง่ของธรรมไม่ใช่ในแง่ของการทำนายฝันหลักวิชาเกี่ยวกับเรื่องความฝันได้มีกล่าวไว้ในคำภีข้าพเจ้าได้ยกเอาเรื่องนี้มาอธิบายในทางวิชาการโดยชี้ให้เห็นว่าความฝันเกิดจากเหตุอะไรบ้าง เรื่องไหนมีสาระเรื่องไหนไม่มีสาระและความฝันทั้งหมดไม่ว่าจะมีสาระหรือไม่มีสาระได้สอนให้เรารู้อะไรบ้างซึ่งในเมื่อศึกษาให้เข้าใจดีแล้วก็จะทำให้ชีวิตของเราเดินไปสู่แสงสว่างคนส่วนใหญ่อยู่ในความมืดและไม่ทราบว่าแสงสว่างอยู่ที่ไหนชีวิตคือการเดินทาง ถ้าหากเราต้องเดินทางอยู่ในที่มืดเสมอมองไม่เห็นอะไรแล้วความปลอดภัยจะพึงมีได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่สามารถให้แสงสว่างแก่ผู้ที่ได้อ่านได้จริงๆถ้าหากพยายามอ่านให้เข้าใจได้เพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จึงให้ชื่อว่าสู่แสงสว่างแต่อย่างไรก็ดี ข้อความที่เขียนไว้ในหนังสือเล่ม น, นี้มีอีกหลายตอนซึ่งควรจะขยายความให้ละเอียดแต่เนื่องจากเวลาไม่พอจึงได้ยุติเอาไว้ก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ควรจะขยายข้อความให้ละเอียดก็คือสภาพของสิ่งแวดล้อมในโลกของโอป ป, ปาติกะที่ว่าเกิดจากใจหรือเกิดจากวิญญาณ น, นั้น เกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะในโลกของโอปะปะติกะก็มีแผ่นดินแม่น้ำภูเขามีต้นไม้มีบ้านมีถนนหนทางและมีอะไรอีกมากมายซึ่งทุกอย่างล้วนแต่เกิดจากจิตใจของผู้ที่อยู่ในภูมินั้ น, น, นฟังดูแล้วเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่สุดและทฤษฎีดังที่กล่าวไว้ในหนังสือเล่ม น, นี้ ข้าพเจ้าก็ชี้ให้เห็นอยู่เสมอว่าเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏในความฝันซึ่งเรารู้แน่ว่าทุกอย่างเกิดจากใจนั้นถ้าหากอำนาจจิตที่สร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาในความฝันมีพลังสูงได้มาตรฐานแล้วทุกอย่างที่เกิดจากใจซึ่งปรากฏเป็นความฝันนั้นก็จะกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมา จะมีตัวตนปรากฏชัดสามารถจับต้องได้สัมผัสได้คนอื่นเห็นได้เหมือนกับเราเห็นทฤษฎีที่กล่าวมานี้จะเห็นว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เลยข้าพเจ้าเป็นห่วงอยู่มากเหมือนกันโดยเกรงว่าเมื่อพบข้อความอันนี้แล้วไม่เห็นว่าเป็นไปไม่ได้ก็จะทำให้เห็นว่า เรื่องอย่างอื่นก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันขอให้สังเกตว่าเรื่องง่ายๆส่วนมากเรามักจะมองผ่านยิ่งเป็นเรื่องในความฝันด้วยแล้วพวกปัญญาชนเห็นเป็นเรื่องไร้สาระเอาเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ดีข้าพเจ้าก็ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าทฤษฎีที่กล่าวมานี้เป็นหลักความจริงแต่ผู้ที่จะเข้าใจได้จริงๆ จะต้องยอมรับว่าสภาพสิ่งแวดล้อมในโลกของโอปะปะติกะก็มีเหมือนเหมือนกับในโลกมนุษย์และจะต้องยอมรับว่าเรื่องอภิญญาต่างๆในพุทธศาสนาเป็นความจริงและต้องมีความรู้ในเรื่องวิญญาณอย่างลึกซึ้งและต้องมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยจึงจะช่วยให้เข้าใจถึงทฤษฎีและปรากฏการณ์ในความฝัน อันหนึ่งข้าพเจ้าขอให้ความคิดเห็นอีกสักอย่างหนึ่งว่านักวิทยาศาสตร์เป็นจำนวนมากในปัจจุบันพยายามที่จะอธิบายถึงกำเนิดของโลกและสิ่งต่างๆในโลกซึ่งเวลานี้จากความรู้ที่ได้จากการสำรวจอวกาศซึ่งทำให้ความคิดในเรื่องจักรวาลของนักวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าขึ้นอีกมากนั้น แม้จะก้าวหน้าสักเพียงไรก็ตามถ้าหากไม่ตั้งต้นศึกษาชีวิตตัวเองให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรยังไม่เข้าใจเรื่องวิญญาณอย่างลึกซึ้งแล้วจะไม่มีทางตอบ ป, ปัญหาที่ตนเองสงสัยให้หมดไปได้เลยหนังสือเล่มนี้ได้เปิดทางไปสู่การศึกษาแบบแผนใหม่ซึ่งนับว่าทันสมัยที่สุด และเป็นแบบที่ใช้ได้ผลมาตลอดทุกยุคทางที่ว่านี้ก็คือพยายามศึกษาเรื่องวิญญาณของตัวเองให้เข้าใจอย่างละเอียดเสียก่อนแล้วจะทำให้รู้ถึงต้นกำเนิดของสิ่งทั้งพวงและจะทำให้เราได้เครื่องมือที่จะช่วยให้เรารู้แจ้งสิ่งต่างๆได้ถูกต้องซึ่งเครื่องมือที่ว่านี้ก็คือความรู้แจ้งจากภายใน โดยอาศัยการฝึกสมาธิและเจริญวิปัสนาวิธีนี้เท่านั้นที่จะช่วยหมนุษยชาติประสบความสำเร็จตามที่ตนปรารถนาทุกประการแต่ก็อย่าลืมว่าคนที่จะสามารถเอาความรู้ภายในออกมาใช้ได้จริงๆนั้นต้องมีความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆด้วยยิ่งรู้มากเท่าไหร่ยิ่งดี พรรัตนสุวรรณสิบพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยสิบสามต่อไปนี้เป็นรายละเอียดเรื่องสู่แสงสว่างโดยอาจา ร, รย์พรรัตนสุวรรณ บทที่หนึ่งไม่ควรกลัวตายในวิสัยของคนธรรมดาย่อมกลัวตายด้วยกันทุกคนเพราะคิดว่าความตายเป็นการสูญเสียทุกอย่างและเป็นการพัดพรากจากบุคคลและสิ่งของอันเป็นที่รักโดยไม่มีทางที่จะพบกันอีกและนอกจากนี้ความเจ็บปวดที่เห็นจากคนอื่นก่อนที่จะตายนั้นก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ทรมานมาก เพราะเหตุนี้จึงได้กลัวตายกันมากแต่อย่างไรก็ดีถ้าหากเราได้ทราบความจริงว่าความตายไม่ใช่เป็นการสูญเสียและไม่ใช่เป็นการพลัดพลาดอย่างชนิดที่ไม่มีหวังว่าจะได้พบกันอีกและความเจ็บปวดถ้าหากจะมีอย่างรุนแรงและมีก่อนหน้านานที่จะตายเท่านั้นเพราะเมื่อถึงคราวที่จะต้องตายจริงๆ จะไม่รู้สึกถึงการเจ็บปวดทางกายเลยแต่ถ้าหากในขณะนั้นมีความทุกข์ทรมานอะไรก็เป็นความทุกข์ทรมานที่เนื่องมาจากสาเหตุในทางจิตใจเท่านั้นเพราะในขณะที่กําลังจะตายจริงๆนั้นประสาททั้งหมดจะชาเป็นอมาพาสไม่มีความรู้สึกเพราะฉะนั้นในขณะที่กําลังจะตายจริงๆ ถ้าความทุกข์ทรมานทางใจไม่มีในขณะนั้นจะรู้สึกแจ่มใสและสบายมากและที่สําคัญที่สุดก็คือคนในโลกมนุษย์เท่านั้นที่มองเห็นว่าคนตายก็คือคนที่หมดสิ้นทุกอย่างซึ่งรวมทั้งชีวิตด้วยแต่ตรงกันข้ามคนที่กําลังจะตายซึ่งถ้าหากในขณะนั้นไม่หลับก็จะรู้สึกว่า ตนเองก็ลองมีชีวิตใหม่อยู่อีกโลกหนึ่งซึ่งโลกที่ว่านั้นบางคนก็อาจจะเห็นว่าตนยังอยู่ในโลกมนุษย์นั่นเองและอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างเดิมด้วยแต่บางคนก็อาจจะไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างจากที่ตนเคยเห็นมาทั้งนี้สุดแล้วแต่ใครจะมีวิบากมาอย่างไรข้อความที่กล่าวมานี้ เป็นข้อความสั้นๆเป็นการสรุปให้เห็นว่าความตายไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรจะกลัวต่อความตายแต่อย่างไรก็ดีสำหรับคนทีม่มีพื้นความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนเมื่ออ่านข้อความนี้แล้วก็คงจะต้องงงเพราะไม่เข้าใจและไม่เชื่อด้วยว่าความจริงจะเป็นเหมือนดังที่กล่าวมา ส่วนผู้ที่เคยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนเมื่ออ่านแล้วก็จะเข้าใจทันทีไม่มีปัญหาอะไรสำหรับเขาฉะนั้นเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่ไม่มีพื้นความรู้ในเรื่องนี้มาก่อนข้าพเจ้าจึงจะขอที่บายความรู้เรื่องนี้ตั้งแต่เบื้องต้นไปทีเดียวดังต่อไปนี้บทที่สองวิธีศึกษาธรรมที่ถูกต้อง การศึกษาธรรมก็คือการศึกษาเรื่องชีวิตของตัวเองให้เข้าใจตามความเป็นจริงและวิธีการศึกษาที่จะทำให้เข้าใจง่ายก็คือศึกษาข้อเท็จจริงที่เราพบเห็นกันอยู่เสมอแต่การศึกษาจากข้อเท็จจริงนั้นเราจะต้องอาศัยหลักวิชากล่าวคือทำอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าการศึกษาข้อเทจ็จจริงจึงจะทาได้ง่าย ถ้าหากเราไม่มีหลักวิชาอยู่ก่อนการสังเกตข้อเท็จจริงเพื่อที่จะหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของตนนั้นไม่อาจจะทำได้ง่ายและอาจจะเสียเวลามากและการศึกษาหลักวิชาคือทำนั้นในครั้งแรกก็ไม่จําเป็นจะต้องเชื่ออย่างแน่นแฟนหรือปักใจเชื่อทันทีสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเชื่อเอาไว้ก่อน ถ้าเห็นอะไรขัดแย้งกับความเชื่อถือดั้งเดิมของตนก็อย่าเพิ่งปฏิเสธจะจริงหรือไม่จริงก็ควรจะรับฟังไว้ก่อนเพราะถ้าปฏิษษเสธเสียตั้งแต่แรกว่าไม่เป็นความจริงโดยไม่มีการพิสูจน์ไม่มีการค้นคว้าต่อไปเราก็ไม่อาจจะพบความจริงด้วยตนเองได้ขอให้สังเกตว่าคนที่ขัดแย้งธรรมของพระพุทธเจ้า ส่วนมากเป็นเพราะเขายังไม่ได้พิสูจน์แต่เขากลับคิดว่าเขาได้พิสูจน์แล้วซึ่งอันที่จริงคำว่าพิสูจน์ของเขานั้นมีความหมายแต่เพียงว่าเขาพิจารณาเทียบเคียงกับหลักวิชาที่เ็เคยเรียนมาหรือจากประสบการณ์ที่เคยผ่านมาเท่านั้นเขายังไม่ได้พิสูจน์ตามวิธีของธรรมขอให้สังเกตว่านักวิทยาศาสตร์ เพื่อจะทําการพิสูจน์เรื่องไหนเขาจะต้องรู้เสีย ก, ก่อนว่าเรื่องนี้ตามวิธีของมันจะต้องมีวิธีการพิสูจน์แบบไหนในทํานองเดียวกันการพิสูจน์ธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะให้รู้แน่ว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้นั้นเป็นความจริงหรือไม่เราก็จําเป็นจะต้องรู้ว่าการพิสูจน์ธรรมมีวิธีการอย่างไรบ้างแต่แน่ละ การพิสูจน์ธรรมซึ่งเป็นเรื่องนามธรรมย่อมจะต้องมีวิธีการที่แตกต่างจากวิธีการทางวัตถุแน่นอนเพราะฉะนั้นในเมื่อผู้ที่ทําการคัดค้านทําการพิสูจน์โดยวิธีเทียบเคียงกับหลักวิชาหรือประสบการณ์ที่เคยผ่านมาจึงไม่ใช่วิธีการพิสูจน์ที่ดีคนที่ขัดแยง้งธรรมหรือคนที่ปฏิเสธธรรม ส่วนมากก็มักจะใช้วิธีการเปรียบเทียบแบบนี้กันเกือบทั้งนั้นขอได้โปรดจาไว้ว่าการเปรียบเทียบกับหลักวิชาหรือประสบการณ์ที่ตนเคยผ่านมานั้นจะช่วยได้ก็เพียงทําให้เข้าใจทาง่ายขึ้นแต่บางอย่างก็อาจจะใช้เป็นข้อพิสูจน์ได้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ดีโดยปกติการพิสูจน์ทำจะต้องอาศัยสมาธิเสมอ ยิ่งเป็นธรรมชั้นสูงด้วยแล้วก็ยิ่งต้องการสมาธิขั้นสูงสุดทีเดียวคนที่มีแต่ความรู้อย่างเดียวแม้ว่าสิ่งที่รู้มานั้นจะได้พิสูจน์กันมาแล้วอย่างรอบคอบและรับรองกันทั่วไปในวงการศึกษาก็ตามก็ช่วยได้ไม่เท่าไรนักถ้าหากเข้าสมาธิไม่ได้ฉะนั้นจึงขอให้พึงระวังไว้ว่า ถ้าเห็นหลักธรรมอะไรขัดแย้งกับความเชื่อของตนหรือเห็นว่าเป็นเรื่องเหลือวิสัยเป็นไปไม่ได้ก็อย่าเพิ่งด่วนตัดสินง่ายๆขอให้พยายามศึกษาไปให้จบเสียก่อนแล้วจึงค่อยลงความเห็นว่าอะไรผิดอะไรถูก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 และเชื่อว่าการระลึกชาติการวีตาทิพเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ทุกคนควรจะศึกษาให้เข้าใจว่าคนเราจะเกิดขึ้นมาได้จะต้องอาศัยวิญญาณมาปฏิสนธิในท้องแม่หลักอันนี้เป็นหลักสำคัญเบื้องต้นทีเดียวเพราะถ้าคนไหนไม่เข้าใจและไม่ยอมเชื่อในเรื่องนี้การศึกษาพุทธศาสนาในขั้นต่อไป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 คือมีตัวตนเกิดขึ้นมาอีกบทที่สี่รู้ได้อย่างไรว่าการเกิดของร่างกายจะต้องอาศัยวิญญาณโดยธรรมดาคนเราเมื่อนอนหลับเขาจะต้องฝันชีวิตในความฝันตลอดถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ปรากฏในความฝันนั้นทุกอย่างล้วนแต่เกิดมาจากใจทั้งสิ้นข้อเท็จจริงอันนี้เรายอมรับกันทุกคน แต่ถึงกระนั้นก็มีน้อยคนมากที่จะรู้ว่าข้อเท็จจริงเหล่านี้เองได้บอกให้เรารู้ว่าแม้กายเนื้อนี้ก็เกิดมาจากใจเหมือนกันและก็เกิดในลักษณะเดียวกันคือเกิดมาจากจิตไร้สำนึกซึ่งทางพุทธศาสนาเรียกว่าผวังขจิตแต่เนื่องจากเราส่วนมากคิดแต่ในแง่ว่าเรื่องราวต่างๆในความฝันไม่ใช่เรื่องจริง เพราะเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วทุกอย่างก็อันตรธานสูญหายไปหมดไม่เหมือนกับร่างกายซึ่งในขณะที่เรานอนหลับนานแม้เราจะไม่รู้สึกตัวคือไม่รู้สึกถึงร่างกายเลยก็ตามแต่เราก็รู้ว่าในขณะที่เรานอนหลับน้นร่างกายก็ยังอยู่และคนอื่นก็มองเห็นร่างของเราว่ายังอยู่และเมื่อเราตื่นขึ้นมาแล้วเราก็ยังพบว่า ร่างกายของเราก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าร่างกายเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงส่วนตัวเราในความฝันและเหตุการณ์ต่างๆในความฝันไม่ได้เหมือนอย่างร่างกายเพราะฉะนั้นความฝันจึงไม่เชื่อเรื่องจริงและด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายจึงไม่สนใจที่จะหาความจริงจากความฝันซึ่งหารู้ไม่ว่า ถ้าเราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณเป็นทุนอยู่บ้างแล้วเหตุการณ์ต่างๆในความฝันนั่นแหละจะเป็นตัวอย่างที่ทำให้เราเข้าใจถึงเรื่องการเกิดของร่างกายได้ง่ายมากแต่อย่างไรก็ดีคนที่จะอ่านเหตุการณ์ในความฝันเข้าใจโดยตลอดจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโอปปาติกะและจะต้องยอมรับว่าชีวิตที่เรียกว่าโอปปาติกะเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง พระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้แจมแจ้งก็โดยอาศัยญาณที่เกิดจากสมาธิซึ่งเรียกว่าบุเพนิวาสานุสติญาณแปลว่ายานที่ทำให้เราลึกชาติได้และจุตูปปตาตญาณแปลว่ายานที่ทำให้รู้แจ้งเรื่องจุติและปฏิสนธิญาณอันนี้ก็คือตาทิพนั่นเอง เราจะต้องศึกษาเรื่องยานทั้งสองให้เข้าใจพอสังเขปเสียก่อนแล้วเราจึงจะสามารถรู้ได้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างในความฝันนั่นแหละคือตัวอย่างที่จะทําให้เราเข้าใจถึงเรื่องการเกิดของคนตลอดถึงการเกิดของโลกนี้ได้อย่างง่ายดายที่สุดข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบอย่างแจ่มแจ้งว่าคนเราเอากําเนิดมาจากวิญญาณของตน ก็เพราะพระองค์ทรงสามารถระลึกชาติได้และพระองค์ทรงมีตาทิพย์เช่นสามารถเห็นโอปปาจิกะคือเห็นชีวิตหลังจากตายได้และการระลึกชาติของพระองค์นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะระลึกได้เฉพาะแต่ชาติก่อนๆของพระองค์เท่านั้นแต่ความเป็นจริงเมื่อพระองค์ต้องการจะทรงรู้ชาติก่อนของใครในชาติที่เท่าไหร่ ตั้งแต่ระยะไหนพระองค์ก็ทรงทราบได้ทั้งสิ้นเช่นถ้ามีใครเริ่มตั้งท้องและพระพุทธองค์ทรงมีพระประสงค์จะทราบว่าเด็กที่เกิดในท้องเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นใครมาเกิดมาจากไหนพระองค์ก็ทรงเข้าสมาธิประลึกชาติของคนคนนั้นออกมาครันแล้วก็จะทรงเห็นภาพในอดีตทั้งหมด และเมื่อพระองค์ทรงต้องการจะรู้ถึงชาติไหนภาพในชาตินั้นก็จะปรากฏออกมาให้เห็นทันทีเพราะเหตุนี้พระองค์จึงทรงทราบได้โดยไม่ยากว่าผู้ที่มาเกิดเป็นหญิงหรือเป็นชายมาก่อนเคยมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรเคยอยู่ที่ไหนเคยทํางานอะไรเคยมีความรู้ความสามารถมาอย่างไรมีอุปนิสัยใจคออย่างไร คำตอบก็จะออกมาเป็นภาพรวมทั้งมีความเข้าใจในเหตุการณ์นั้นๆด้วยความสามารถอย่างนี้ใครๆก็ทำได้ถ้าหากมีสมาธิสูงจริงๆและยิ่งกว่านั้นคนไหนซึ่งได้แต่งงานแล้วได้อยู่ร่วมกันอย่างสามีภรรยาแล้วแต่ทำไมจึงยังไม่มีลูกเป็นพ่อเหตุใดพระองค์ก็จะทรงทราบได้โดยไม่ยาก เพราะการที่เด็กจะเกิดในท้องแม่ได้หรือไม่นั้นนอกจากสาเหตุในทางกายเช่นถ้าพ่อแม่เป็นหมันเด็กก็เกิดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นแล้วยังมีสาเหตุอีกอย่างหนึง่งคือถ้ายังไม่มีวิญญาณมาปฏิสนธิในไข่ที่ผสมเอาไว้ไข่นี้จะเจริญโติบโตขึ้นมาเป็นคนไม่ได้และการที่วิญญาณจะมาปฏิสนธิในตระกูลไหน มันมีกฎเกณฑ์ของมันโดยเฉพาะไม่ได้หมายความว่าถ้าพ่อแม่ไม่เป็นหมันไม่ว่าวิญญาณที่ไหนก็อาจจะมาเกิดได้ทั้งนั้นความจริงไม่ใช่เช่นนี้กฎโดยทั่วไปมีอยู่ว่าวิญญาณจะไปเกิดที่ไหนจะต้องอาศัยความเหมาะสมเกี่ยวกับอุปนิสัยใจคอและบุญบารมีของพ่อแม่ซึ่งเรื่องอย่างนี้ จะไม่มีทางรู้ได้โดยวิธีอื่นเลยนอกจากจะอาศัยวิธีการทางระลึกชาติและการมีตาคิปเท่านั้น